ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านทุกฝังทั้งหลายประสูตร์ในวันนี้จะได้พูดถึงอ ป, ปันนกสูตร์แปลว่าประสูตร์ที่ว่าโดยข้อปฏิบัติซึ่งไม่ผิดประสูตรนี้พระพุทธเจ้าแสดงแก่ชาวบ้านสาระก็เหมือนกับสาเรเลยยกระสูตรที่พูดมาก่อนแต่แสดงว่าประสูตร์นี้แสดงก่อน คราวหนึ่งพุทธเจ้าเสด็จไปสู่หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อศาลาพวกพราหมกระหบดีพวกชาวบ้านทั้งหลา ย, ท, ลายทราบเกียรติคุณก็มาเฝ้าในพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นได้ชอบใจาศสาสนาองค์ใดบ้างหรือนับถือท่านท่านองค์ใดเป็นาศาสดาของตนแล้วหรื อ, อยังชาวบ้านก็ก็บอกว่าอย่าง ยังไม่ชอบใจใครยังไม่ยอมรับนับถือใครพระพุทธเจ้ารับสั่งบ่าก็ไม่เป็นไรหรอกจะนับถือใครหรือไม่นับถือใครก็ได้แต่ว่าอย่าปฏิบัติให้ผิดก็แล้วกันในที่สุดก็ทรงแสดงหลักที่เราเรียกว่าข้อปฏิบัติจึงไม่ผิดข้อแรกก็ทรงยกอาวาทะหรือคําสอนของประสาสดาสองฝ่ายขึ้นมา คือศาสดาพวกหนึ่งนั้นสอนว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลแม่ไม่มีพ่อไม่มีโลกหน้าไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีผลของการการทำดีทำชั่วไม่มีสมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งโลกนี้ด้วยตนเองแล้วสั่งสอนบุคคลอื่นให้รู้แจ้งตามก็ไม่มีศาสตร์ผู้ลอยเกิดไม่มี ตีพวกหนึ่งก็สอนตรงกันข้ามมีความเห็นตรงกันข้ามคือยืนยันว่าทานมีผลการบูชามีผลการบวงสวงมีผลพ่อมีแม่มีโลกนี้มีโลกหน้ามีกรรมที่สัตว์ทวําดีทําชั่วมีสมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งโลกนี้ด้วยตนเองแล้วสอนบุคคลให้คนอื่นให้รู้แจ้งตามก็มีและโอปปาติการสัตว์ก็มีและรับสั่งถามชาวบ้านเหล่านั้นว่า ค่าคำของคนสองฝ่ายนี้ขัดแย้งกันไหมท่านบอกขัดแย้งกันพรูเจ้าก็ตั้งประเด็นใหม่ตั้งประเด็นใหม่ว่าวัทะของคนสองกลุ่มนี้กลุ่มแรกที่ปฏิเสธหมดเนี่ยก็ในที่สุดจะต้องละชิ้งกุศลธรรมแล้วไปทําอกุศลธรรมทางกายทางวาจาทางใจ ผลของอกุศลแลธรรมโลกน่าจะมีหรือไม่มีก็ตามแต่คนเหล่านี้ก็จะต้องเดือดร้อนในปัจจุบันนะก็ภายหน้าส่วนพวนพวกที่ตรงกันข้ามคือพวกยืนยนันว่ามีนั้นโลกน่าจะมีหรือไม่มีก็ตามแต่ว่าก็จะได้ดีมีสุขในปัจจุบันแล้วก็บินโูชนสรรเสริญจะน่นก็ทรงแสดงแนวที่พระองค์รู้เห็น คือพระองค์มักจะใช้คํ า, าคว่าสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาว่าอย่างนั้นแต่ตถาคตมีญาณอย่างหนึ่งคือมีความรู้ด้วยประญาณอย่างหนึ่งแล้วก็ทรงแสดงว่าการที่สมณพราหมณ์พวกแรกคือพวกนักบวชหรือใครก็ตามพวกแรกที่ทรงใช้ในที่นี้ทรงใช้คําว่าสมณพราหมณ์พวกแรกที่ปฏิเสธความไม่มีของสิ่งทั้ง10ประการดังกล่าวแล้วดังนั้น ความแล้วก็ทรงแสดงว่าโลกหน้าตั้งประเด็นโลกหน้าโลกเดียวนะว่าโลกหน้ามีอยู่แท้ แ, ทแต่คนพวกนี้ไปปฏิเสธว่าไม่มีความเห็นของเขาเป็นความเห็นผิดคือเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อเขาคิดว่าโลกหน้าไม่มีความคิดของเขาก็เป็นมิจฉาสังกปะคือคิดติดรอพูดออกมาว่า โลกหน้าไม่มีก็เป็นมิจฉาวาจาวาจาผิดไปบอกกล่าวแนะนําคนอื่นให้คล้อยตามว่าโลกหน้าไม่มีเป็นการแนะนําที่ไม่ถูกต้องตามธรรมเขาเป็นคนยกตนข่มท่านเป็นคนทุศีลเป็นคนที่ถูกวินยูชนตําหนิจีเจียนในโลกนี้ แล้วต่อแต่นั้นก็ท่งแสดงอีกภาคหนึ่งอีกภาคหนึ่งว่าคนที่ยอมรับความมีอยู่ของสิ่งทั้งหมดโดยสรุปว่ายอมรับความมีอยู่ของสิ่งทั้งสิบนั่ น, <ม>นคือการให้ทานมีผลเป็นต้นจนถึงก็โอปปะติการศาสตร์กษศาสตร์ที่รอยเกิดมีอยู่นั่นพวกคนเหล่านี้เมื่อก็มีความเห็นอย่างนี้ ไปชื่อว่าเป็นความเห็นชอบเมื่อคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ก็เป็นความตาริชอบเมื่อพูดว่าสิ่งนั้นมีอยู่ก็เป็นวาจาชอบเมื่อแนะนําคนอื่นให้เชื่อตามให้คล้อยตามก็ชื่อว่าเป็นการแนะนําที่ชอบด้วยธรรมคนเหล่านี้มีวาทะออลืมไปตอนหนึ่งตอนนี้สําคัญมากตอนที่ทรงแสดงหมวดแรกเนี่ยทรงแสดงว่าคนเหล่านี้มีวาทะที่เป็นปฏิบัติต่อพระอาหารหันต์ทั้งหลายในโลก คืมีคําพูดที่ขัดแย้งกับพระอาหารหันต์ทั้งหลายในโลกและก็ไปเพิ่มยกตนข่มท่านความทุศีลมีบาปธรรมมัลามกวินยูชนจิเ ย, ยนฆ่าในตอนหลังพอมาถึงชุดที่สองก็ทรงแสดงว่ามีวาทะที่ลงกันกับพระอาหารหันต์ทั้งหลายในโลกเป็นคนมีศีลไม่ยกตนข่มท่าน เป็นผู้มีธรรมก็ดำเนินไปสู่สุดจริตทั้งสาประการทีนี้ก็ทรงแสดงถึงผลแตกต่างผลแตกต่า ง, ตตางาระหว่างความเชื่อของคนทั้งสองพวกนี้พวกแรกที่ปฏิเสธพวกที่สองที่ยืนยันก็ทรงแสดงว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นใจจะน้อมฝ่ายแรกคือจะน้อมไปทางอากุศลทุจริตคือจะไหลไปสู่อกุศลทุจริตตีต่างว่าโลกหน้าไม่มี แต่ว่าเขาก็ประสบความพิบัติในปัจจุบันหรือความเดือดร้อนในปัจจุบันถ้าโลกหน้ามีก็ตกนรกทุ ก, กติวินิบาตนสุรกายส่วนกลุ่มที่สองคือกลุ่มยอมรับนั้นถ้าโลกหน้ามไม่มีเขาก็ทำความสวัสดีให้แก่ตนในปัจจุบันถ้าโลกหน้ามีก็ได้บังเกิดในสุ ก, กติโลกสวรรค์นในภายหน้า กลุ่มแรกสงชัยคำว่าปราชัยหมดทั้งสองโลกคือแพ้หมดทั้งสองโลกความคิดในแรกนั้นแพ้หมดทั้งสองโลกโลกปัจจุบันก็เดือดร้อนตายไปตกนรกอีกแต่ว่ากลุ่มที่สองนั้นชนะหมดสองโลกเป็นผู้พิชิตโลกทั้งได้ทั้งสองโลกคือทำความสวัสดีให้แก่ตนในโลกนี้และยังทำความสวัสดีให้แก่ตนในโลกหน้าอีกด้วยนี่คือกลุ่มแรก แต่ว่าแต่ละตอนนั้นจะรับสั่งถามมาขัดแย้งกันไหมกรพื่พวกก็บอกขัดแยง้งข้อนี้ท่านผู้ฟังได้โปรดสังเกตนะว่าผู้ฟังที่มากลุ่มนี้ฟังคราแรกเลยไม่มีศาสดายังไม่นับถือใครไม่ได้เชื่ออะไรพระ้ธจ้าก็เสนอหลักให้คิดให้คิดแล้วก็เอาความคิดเหล่านี้มีอยู่แล้วในสมัยนั้นมีอยู่ทั้งสองแนวเขาเรียกว่าแนวนัตติกะเจติคือแนวปฏิเสธสิ่งทั้งหลายว่าไม่มีอะไรเลย การที่นําเรื่องเหล่านี้มามาพูดนั้นคือเมื่อวานเนี่ยคนก็ถ่ายเอกสารมาให้กล่าวถึงการให้สัมภาษณ์ของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็พูดดีมาตลอดนะฮะแล้วมาถึงข้อตรงหนึ่งท่านบอกว่าพระสงฆ์นั้นควรจะสอนสัจธรรมไม่ควรสอนเรื่องนรกสวรรค์คือตกลงว่าไม่รู้อะไรคือสัจธรรมนรกสวรรค์นั่นคือสัจธรรมอย่างหนึ่งนะฮะ ที่เกิดขึ้นโดยประญานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนี่นแหละคือตัวสัจธรรมอย่างหนึ่งบรรดาสัจธรรมทั้งหลายเรื่องความมีอยู่ของนรกสวรรค์ผลบุญผ ล, ผลบาปทั้ง10ประการนะฮะคือสัจธรรมอย่างหนึ่งคือเราเราปฏิเสธแต่ว่าเราขอให้สอนนี่คือความสับสนในด้านความคิดความคิดประเภทแรกนี้เป็นการเน้นที่โลกหน้านะฮะแม้จะยกมาทั้ง10ข้อก็ตามแต่ว่าเน้นเน้นที่โลกหน้าอย่างเดียว อีกกลุ่มสองก็มีอยู่เกาะกลุ่มกันอีกสองฝ่ายค่ายหนึ่งปฏิเสธเรื่องกรรมทั้งหลายต้งยกกับปานาธิบาตอย่างเดียวนะฮะฆ่าสัตว์ได้สารพัดครงอธิบายรายละเอียดวิธีฆ่าเยอะแยะไปหมดเลยคืสรุปประการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนสัตว์การทําลายชีวิตสัตว์ประทุษร้ายสัตว์ด้วยเครื่องไม้เครื่องมืออย่างไรก็ตามพวกฝ่ายหนึ่งนั้นบอกไม่มีบาปอะไร ไม่มีการกระทำไม่เป็นบาปไม่มีการฆ่าไม่มีผู้ฆ่าไม่มีผู้ถูกฆ่าซึ่งแนวความคิดเหล่านี้เราจะพบว่าอินเดียนั้นแพร่เป็นโรคระบาดแพร่เป็นโรคระบาดมาจนถึงหลังพุทธกาลแล้วก่อนพุทธกาลก็เกิดแรงอยู่ครานเกิดแรงสมัยที่พวกอารยันก็ตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานแล้วนะแต่ในสุดก็รบกันเองแล้วเกิดแนวาคาสอนนี้ขึ้นมา พระท่านกฤษณะปลายวาฒน์ฆ่ากันสบายมากเลยไม่มีบาปเลยฆ่ากันเสร็จพวกเหลือขึ้นสวรรค์หมดเลยขึ้นสวรรค์ตั้งเป็นก็มีนะฮะขึ้นสวรรค์ตั้งเป็นแล้วก็พวกที่ฆ่ากันตายในสงครามก็เกิดเป็นบนสวรรค์กันหมดนี่คือเป็นรอยบาปที่เกิดขึ้นในอินเดียญาติพี่น้องฆ่ากันตายตั้งสิบแปดิบเก้าวันสงครามฝ่ายหนึ่งญาติพี่น้องกันทั้งหมดนะฮะตะลุยฆ่ากันไม่บาปอะไร นี่คือรอยบาปแต่มันเกิดขึ้นก่อนพุทธกาลนะเกิดเกิดขึ้นก่อนพุทธกาลแล้วก็เชื่อถือกันมาเรื่อยเลยพอมายุคหลังเขาเรียกยุคปูราณะที่เกิดหมากาบขึ้นมาสองเรื่องอะรามายณะกับหมาพาราตยุทธทัานทั้งหลายที่เคยอ่านคงจะนึกออกเรื่องนี้หมาภาราตยุทธนี่ฆ่ากันระบายเลยมันอยู่ตอนหตอนสีมัดพระกวาดกีตานะ่ยสาธยายสโลกถึงเรื่องการฆ่าไม่มีผู้ฆ่าไม่มีผู้ถูกฆ่าแล้วคนเราจะ จะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นี่มันมันมันเป็นเรื่องมันเองมันเป็นเองมันแต่เรื่องบังเอิญคือเกิดขึ้นได้เองปฏิเสธกรรมหมดเขาเรียกพวกสังสารสุทธิสังสารสุจินั้นคือคือก็หลายแนวนะฮะแต่พระพุทธเจ้าออกมาแนวเดียวคือแนวที่ว่ามันมันมันบริสุทธิ์ของมันเองไม่ต้องมีใครมาทําให้บริสุทธิ์ แต่แนวนี้บางบางทีก็ถือว่ามาจากเหตุภายนอกบางทีมันจากการโดลบรรดาลของเทพเจ้าบางทีก็ผ่านการเวลาไปนานๆแล้วมันบริสุทธิ์เองไม่ต้องไปทําอะไรมันจะ บ, บริสุทธิ์แล้วก็ดูนานๆก็บริสุทธิ์เองสร้างมองก็สร้างมองเองบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์เองไม่มีการกระทําไม่มีผูท้ทําไม่มีเจตนาในการทํานี่คือกลุ่มหนึ่งแล้วกลุ่มตอบกลุ่มนี้ ทงแสดงว่าเมื่อความคิดเขาเป็นอย่างนี้ต่อไปจิตใจก็ น, นมน้อมเข้าไปสู่การกระทาที่เป็นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจนะฮะทุจริตแล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องซ้ำก็ได้กระจำได้กายวาจาใจแต่นั้นเองแล้วก็ละทิ้งสุจริตธรรมคนเหล่านี้เป็นคนที่ก็เรียกว่าอากิรยะทิฏฐินะฮะอคิรยทิฏฐิคือเห็นว่าไม่มีการกระทา แล้วกรรมนั้นก็มีอยู่โดยแท้แต่คนเหล่านี้ก็ปฏิเสธว่ากรรมนั้นไม่มีเพรา ะ, ะนั้นความเห็นมันก็เป็นมิจฉาทิฐิอ่ะความคิดก็เป็นมิจฉาสังกัปปะพูดออกมาเป็นมิจฉาวาจาไปแนะนำคนอื่นก็เป็นการแนะนำที่ไม่ชอบทำมีวาทะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระหันทั้งหลายในโลกแล้วก็ยกตนข่มท่านเป็นคนทุศีลมีปากพะธรรมเป็นคนที่วินยยชนทั้งหลายตำหน่ติดเตียน ยกอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาโดยในยะตรงกันข้ามคือคนนี้ก็ยอมรับว่ากรรมมีการกระทำมีเจตนาเป็นบาปตามสมควรแก่กรรมที่บุคคลกระทำเอาไว้แต่ว่าความเห็นเหล่านี้ไม่ใช่เจาะในรายละเอียดนะฮะได้ปรดเข้าใจไม่ได้เจาะในรายละเอียดเลยพูดความเชื่อของคนในสมัยนั้นคือหมายความว่าไม่มีการกระทำโดยสิ้นเชิงพวกนี้มีการกระทาโดยสิ้นเชิง ไม่ได้เจาะรายละเอียดแต่ของเรานั้นเจาะรายละเอียดจะต้องมีเจตนามีความจงใจมีความพยายามมีวัตถุอะไรเนี่ยเราพูดถึงรายละเอียดแต่ว่าคนฟังในกลุ่มนั้นไม่ใช่คนที่จะศึกษารายละเอียดพระพุทธเจ้าก็แสดงแนวความคิดที่เขารู้กันอยู่แล้วทั้งสองแนวนะให้มาคิดเปรียบเทียบเอาทีนี้คนที่ยอมรับว่าการกระทำเนี่ยมีอยู่โดยส่วนเดียวซึ่งเป็นความคิดที่หยาบที่สุดแล้วนะแต่ว่าความโน้มเอียงมันจะเข้าไปในทางละอกุสน เพราะอะไรเพราะก็ถือว่าผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นมีอยู่เป็นบาปเป็นบุญเป็นทุกข์เป็นสุขเนี่ยตามสมควรแก่กรรมที่บุคคลก็ทําเอาไว้ความโน้มเอียงมันจะเข้าไปในทางการบาเพ็ญกุศลแล้วก็ละส่วนที่เป็นอกุศลทางไตรถาวรความเห็นของคนเหล่านี้ก็เป็นความเห็นชอบในระดับสามัญทั่วไปคิดขึ้นมาก็เป็นคิดชอบพูดออกไปก็เป็นพูดชอบเวลาแนะนําบอกกล่าวคนอื่นยอมรับกรรมมีอยู่ก็ถือว่าเป็นการแนะนําในทางที่ชอบ ก็อาจจะไม่มีศีลมาก่อนแต่จะกลับเป็นคนมีศีลขึ้นจะไม่ยกตนข่มคนอื่นเป็นที่ยกย่องของวินยูชนทั้งหลายนี้ก็อีกชุดหนึ่งซึ่งจงแสดงโดยทานองเดียวกันนะฮะทนองเดียวกันว่ากรรมจะมีหรือไม่มีก็ตามกรรมจะมีหรือไม่มีก็ตามแต่คนพวกนี้ผลกรรมจะมีหรือไม่มีก็ตามสมมติว่าผลกรรมไม่มีคนกลุ่มแรกก็อาจจะทาความสวัสดีแก่ตนได้ แต่ว่าถ้าผลกรรมไม่ตายตกนรกท่วนกลุ่มคนกลุ่มที่สองนั้นก็พิชิตได้สองโลกเช่นเดียวกันนี่ก็คือเริ่มให้สอนให้พวกชาวบ้านสาลานั้นได้คิดแล้วในที่สุดท่านก็เข้าใจต่อไปก็ทงแสดงถึงผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนก็เรียกว่าไม่มีเหตุ ไม่มีเหตุอะไรผลนั้นเกิดขึ้นมาด้วยความเลื่อนลอยด้วยความบังเอิญด้วยความเหมาะเจาะอะไรต่ออะไรก็นแล้วแต่เขาจะพูดกันนะก็ว่าการหลากหลายความคิดนั้นมากได้เกิด น, นี่กลุ่มหนึ่งแต่กลุ่มหนึ่งนั้นทงแสดงว่าเขาคิดว่าผลทั้งหลายมันจะต้องมีเหตุแต่จะต้องมีเหตุและจึ ง, จ, งจึงเกิดผลดอานั้นถ้าเหตุ ด, ดีผมก็ดีเหตดดุไม่ดีผมก็ไม่ดีแล้วก็รับสั่งถามเหมือนเดิมนะครว่าความคิดสองแนวนี้มันขัดแย้งกันไหมก็บอกขัดแย้งกัน และพระองค์ก็ชี้ประเด็นต่อไปว่าคนที่ถือว่าผลไม่มีเหตุมันก็ไม่สร้างเหตุอไม่สร้างเหตุแต่เนื่องจากสภาพใจงคนมันก็หลายตามในสุดก็ทำทุจริตส่วนคนที่ถือว่าผลทั้งหลายมันเกิดจากเหตุเขาจะเว้นเหตุบางอย่างคือเหตุที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะเวนเ้นแต่เหตุที่ดีแล้วเขาก็เขาก็จะกระทําเพราะงั้นในความน้อมเอียงของเขาก็จะออกมาในรูปที่เป็นกุศลดําเนินชีวิตในแนวเดียวกับที่ส่งแสดงในตอนต้นนะฮะคือตอนท้ายของแต่ละ แต่ละวักแต่ละตอนเนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมดเลยแล้วในที่สุดก็ทรงยกคนขึ้นมาสี่ประเภทเพาในโลกนี้มีคนอ๋ออีกอีกข้อหนึ่งคือปฏิเสธพบนะฮะปฏิเสธพก็ปฏิเสธอรูปพบคนกลุ่มหนึ่งนั้นปฏิเสธพไม่มีพบไม่มีชาติไม่มีพบที่จะเกิดนะฮะไม่มีกามาพบรูปพบอรูปพบอะไรไม่มีหมดเลยพวกกลุ่มหนึ่งนั้นยืนยันว่ามี แล้วรับสั่งถามมาคนสองกลุ่มนี้ขัดแย้งกันไลท่านก็ตอบว่าขัดแย้งมันดูง่ายนะฮะแล้วก็ในที่สุดกระส่งแสดงว่าคนที่เชื่อว่าไม่มีพบเนี่ยก็ไม่เพียนพยายามที่จะปรุงแต่งพบอะไรของตัวเองเพราะเพราะไม่มีนะฮะไม่มีก็ไม่ขวนขวายที่จะหาอะไรแต่อีกกลุ่มหนึ่งนั้นถือว่ามีพบที่มันประนีตขึ้นไปได้เป็นชั้นๆๆๆนช้แกก็ต้องพยายามสร้างเหตุเพื่อให้ได้พบที่ประนีตขึ้นไปคนเหล่านี้ความโน้มเอียงก็จะฆ่าไปในทางกุศลอีก ความคิดความเห็นก็เดินตามสายอย่างที่ว่าในตอนตอ น, ต, อนต้นต่อไปก็พูดถึงปฏิเสธอรูภพอรูภพก็คือที่เกิดของอรูปภพนะฮะท่านที่ได้บรรลุอรูปฌานมันเป็นนามมันไม่มีรูปก็พูดกันยากนะฮะมันต้องอาศัยสมาธิปัญญาสูงถึงจะรู้ได้คนพวกหนึ่งนั้นปฏิเสธไม่มีอรูเพราะในแนวความคิดที่จะขวนขวายพัฒนาจิตขึ้นไปในฌานในสมาธิมันก็ไม่เกิดแล้วก็น้มเอียงเข้าหาอากุศลก็เหมือนเดิมเข้าวสวดเดิม ส่วนพวกกลุ่มหนึ่งนั้นบอกว่ามีอารมณซึ่งสามารถที่จะสร้างขึ้นได้ด้วยการพัฒนาการทางจิตแล้วก็ตนปรารถนาอารมณ์เราใดด้วยกรรมฐานใดก็จะเจริญกรรมฐานนั้นในที่สุดก็จะได้อารมณก็ทรงสรุปในตอนสุดท้ายว่าสรุปว่ามันมีหรือไม่มีนั้นตัดออกไปได้คือพบจะไม่มีชาติจะไม่มีกรรมจะไม่มีอะไรก็ตามนะสมมติว่ามีหรือไม่มีก็ตามแต่มาดูกันที่ปัจจุบัน ว่าความโน้มเอียงที่ก่อให้เกิดการกระทําสําหรับกลุ่มที่ยอมรับก็มีเนี่ยมันจะเดินไปทางกุศลทั้งหมดได้เป็นผู้ชนะโลกทั้งสองได้แต่พวกกลุ่มที่ไม่มีทั้งสามแถวทั้ง4ี่แถวนะฮะสี่เลห้านะครับก็จะโน้มเอียงไปในทางอากุศลเป็นคนแพ้ทั้งสองโลกเลยถ้าไม่มีมันก็แพ้โลกหนึ่งถ้ามีก็แพ้สองโลกนี่คือเสนอแนวให้คิดพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงอะไร เสนอแนวให้คิดเอาเองจากนั้นทรงจำแนกคนในโลกออกไปเป็น4ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือทำตนเองให้เดือดร้อนเป็นการบำเพ็ญชีวิตในลักษณะที่เบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนคนกลุ่มหนึ่งนั้นบำเพ็ญชีวิตในแนวที่ว่าเบียดเบียนสร้างทุกทรมานให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นคนกลุ่มที่3นั้นเบียดเบียนทั้งตนเองและคนอื่นยุ่งไปหมดเลย คนกลุ่มที่4นั้นจะทําประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่นคือไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นแล้วก็ทรงจําแนกประเภทของบุคคลที่มีอยู่ในสมัยนั้นนะฮะเอากันในสมัยนั้นแล้วกัในสมัยนี้มันก็มีคือคนที่สร้างทุกข์ทรมานให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองแต่ว่าทรงยกนักบวชนะฮะพระพูดในหมู่พระประเดี๋ยวจะยกชาวบ้านจะหานินทาชาวบ้านองก็เลยก็พูดในหมู่นักบวชด้วยกันเนี่ยว่านักบวชประเภททุกขกรกริยาทั้งหลายนะ เช่นว่าเวลาจะฉันจะต้องเรียนแบบซุนนักจะต้องเรียนแบบโคจะต้องยืนไม่คล่อมสากจะต้องรับบ้านพิกษสาไอคนที่เขานีมนต์ไม่รับแล้วจะต้องไม่รับสิ่งนั้นไม่รับเนื้อไม่รับปลาไม่รับอาหารอย่างนั้นไม่รับอาหา ร, าราหญิงมีคันตักอะไรยุ่งเนี่ยแกสร้างเงื่อนไขขึ้นยุ่งหมดเลยมากม า, กายกายกองหลายสิบวิธีด้วยกันคือสรุปว่าเนี่ยมันทําความตัวเองให้ลำบากเป็นการเบียดเบียนตัวเองสร้างทุกข์ทรมานให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองนะฮะ ถ้ายกชาวบ้านกันเนี่ยพวกเล่นการปนันพวกดื่มสุราพวกเสพสิ่งเสพจิตทัท้งหลายเนี่ยพวกพวกเบียดเบียนตัวเองเป็นจตุร์ตัวตัวเองแต่ตอนนั้นมันก็ไปยกตัวอย่างพระในที่จริงก็เทศชาวบ้านฟังแต่ยกยกตัวอย่างนักบวชเพราะว่าเริ่มเริ่มต้นอย่าลืมนะครับพระเจ้าพูดเรื่องผู้สอนพูดเรื่องกลุ่มผู้สอนขึ้นมาเพราะงะั้นจะเอากลุ่มผู้สอนเนี่ยเป็นแนวให้ดูตลอดเลยว่าพวกนี้มันสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองทีนี้ไอ้พวกที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่นคนอื่น เช่นอะไรฮะพวกเบียดเบียนโดยการฆ่าสัตว์ไม่ยอมรับผลของกรรมไม่ยอมรับอาการฆ่าสัตว์เป็นบาปไม่ยอมรับอาการถือเอาสิ่งของในเจ้าของเขาไม่ได้ให้เป็นบาปไม่ยอมรับว่าการประพฤติผิดทันยามคนอื่นเป็นบาปมันก็ทําบาปทํากรรมเหล่านั้นซึ่งเมื่อทําไปแล้วมันก็เบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นสร้างทุกข์ทรมานให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นน า, นานาประการนะอีกพวกกลุ่มหนึ่งก็ เ, เบียดเบียนทั้งตนเองและคนอื่น เบี别别ยดเบียนนั่นตนเองและคนอื่นเช่นพวกทําอะไรพวกพิธีบูชายันในกรรมต่างๆเลยแม้แต่พวกนี้มันก็เบียดเบียนนั่นตนเองนะบุคคลอื่นนะผู้ผิดศีลห้าทั้งหลายส่วนพวกที่ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นซึ่งจุดสุดยอดของชีวิตเนี่ยก็ส่งเริ่มที่บุคคลผู้มีศรัทธามีศีลตั้งใจศึกษาสําเนียบประพฤติปฏิบัติแล้วก็พัฒนาตัวเองตามระบบนี้ฮะระบบมีการให้ทาน มีศรัทธาก่อนมีศรัทธามีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการบาเพ็ญเพียรภาวนาจนจิตใจผ่านขั้นของสมาธิผ่านขั้นของสมาธิแล้วก็เข้ามาในฌานพอถึงจะตุถอยฌานองค์ฌานอย่างที่เคยบอกนะฮะว่าองฌานเนี่ยทรงสแสดงก็เรียกว่าเป็นนิ ป, ปรยายคือไยะเดียวมันเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าใครจะบรรลุสักกี่ล้านคนก็ตามเหมือนกันทั้งหมดไม่ต้องไปพูดว่ามีท่านนั้นน่ย เป็นอย่างนั้นทุกคนจะเหมือนกันทุกคนนะีคือจะมีวิโต ก, ว, ตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคะาตาชุดหนึ่งมีวิตกก็คือความนึกที่เป็นธรรมความคิดที่เป็นธรรมมีความปีติเอิบอิ่มใจมีความสุขสบายกายสบายใจใจสงบเป็นสมาธิพอถึงจเจริญต่อไปก็วิตกวิจาร์นั้นหายไปยังเหลือแต่ปีติความเอิบอิ่มความสุขค ว, สความสงบ พอจเจริญไปอีกไอติเอิบอิมก็หายไปยังเหลือแต่สุขกับความสงบพอจเจริญไปอีกสุขก็หายไปยังเหลือแต่อุเบกขากับเอกคต า, าคือปัญญากับเอกคต า, าอุเบกขาในตอนตอนนี้เป็นลักษณะปัญญานะฮะคือเพ่งพินิษพอเนี้พอเพ่งพินิษต์แล้วต่อไปเนี้ยสภาพใจมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลส ปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนควรแก่การงานบุคคลผู้นั้นสามารถจะน้อมใจไปเพื่อดูชาติการก่อนๆกับตัวเองว่าตัวเองนั้นเคยเกิดมาหรือไม่แล้วเมื่อจเจริญไปก็จะรู้จะระลึกได้ชาติต่างๆว่า1ชาติ2ชาติ3ชาติสชาติกว่าเรื่อยไปจนถึงอะไรสังวัตกับวิวัตกับคือนับไปทวนอ่ะพูดง่ายนับไปทวนจะรู้ในรายละเอียดของแต่ละชาติ ว่ในชาตินั้นตนเกิดเป็นอย่างนั้นมีรูปร่างอย่างนั้นผิวพรรณอย่างนั้นะกูลพ่อแม่อย่างนั้นมีอาชีพอย่างนั้นประสบความสาเร็จอย่างนั้นคือเหมือนกับเรารู้ชาติเราในปัจจุบันอะ่ะพูดง่ายๆอย่างนั้นแล้วต่อไปก็อาศัยสภาพจิตเนี่ยสภาพจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวปราศจากไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อระลึกถึงกรรมถึงความแตกต่างของกรรมที่คนกระทําเอาไว้ก็จะเห็นความแตกต่างของสัตว์ทั้งหลายว่า การที่สัตว์ทั้งหลายเกิดมาเลวประนิษฐาหรือในสกุลวันณะนผิวพันธุ์พื้นฐานทางใจอะไรต่อไรแตกต่างกันนีเพราะกรรมที่คนกระทำเอาไว้ไม่เหมือนกันแล้วอาศัยสภาพจิตที่กล่าวแล้วนั่นเองนะฮะแต่คุณภาพสูงขึ้นเขาก็จะน้อมไปเพื่อรู้ว่าอะไรเป็นอาสวะอาสวะเขาคือกิเลส ท, ทั้งหลายนะพูดง่ายคือกิเลสกันแล้วกัน อิเลจะเรียกว่าไงก็ตามแต่ถ้าใช้คําว่าอาสวะนั้นจะใช้สาบ้างสีบ้างนะแต่ใช้กามาสวะอาสวะคือกามได้แก่ใจที่หมก ม, มุ่นคลุ่นคิดเก็บสะสมรักใคร่ปรารถนายินดีชอบใจพอใจในสรรพสิ่งทั้งหลาย ม, มามายแล้วก็ภวาสวะคือติดสยบติดในพบในอะไรต่างๆตอนนี้ตอนนี้ไม่เอาแล้วนะคือคือคือรูปพบอารูปพบอะไรไม่เอาแล้วไปแล้วมันใจพ้นหายไปแล้ว ตอนนี้ก็ละทิ้งพบไปแล้วคื อ, ค, อคือมองเห็นพบเป็นโทษพอถึงจุดนี้จะมองเห็นพบเป็นโทษได้วิชาสวะอาสวะคืออวิชาความเคลาทีนี้บางทีนั้นจะเรียกในชุดชุดหนึ่งกับชุด4ี่นะฮะชุด4ี่ก็บางทีจะจะเรียกว่าโอคะคือกรมโอคะโอคะคือการมพระโอคะโอคะคือพบทิศโขคะโอคะคือทิศทิอวิโชคะโอคะเกิดวิช า, ค า, คออชาแล้วก็เรียกอสวะด้วยชุดนี้เรียกอาสวะด้วยซึงก็เหมือนกันนะฮะ คือถ้าหากว่าเรียกสมก็ อ, อทิฐิผิดเนี่ยมันอยู่ที่อวิชชาแต่ถ้าเรียก4ก็ทิฐิมันก็แยกออกไปจากอาวิชชาเท่านั้นเองกิเลสบางทีก็รวมมาที่1คืออวิชชาแยกเป็นสาคือโลภโกรธหลงแยกเป็น10แยกเป็นพันหแยกไปได้แต่มันมีกิ่งอยู่มันเป็นกิ่งก็แต่กิ่งเลข ก, กิ่งน้อยออกไปเท่านั้นเองอย่าไปคิดได้มากนับตัวเลขลําบากกวเปล่าเหมือนกันนี่ยเหมือนกับวิธีที่ที่จะสังเกตและกําหนดให้ง่ายต่อการเข้าใจยกตัวอย่างเช่นว่า เขาห้ามไม่ให้ประพฤติละเมิดในหญิง20ประเภทเนี่ยถ้าเรานั่งนับตัวเลข20ประเภทก็ลําบากเราก็นับจะหม่ว่าคือคนจะเกี่ยวข้องในทางเพศกับผู้หญิงได้อย่างเดียวคือพัญญาตัวเองเท่านั้น20ประเภทก็นอกนั้นอยู่ในกลุ่มยีประเภทแต่นั้นไม่ต้องมานับเลขมันเสียเวลาเปล่านี่คือวิธีที่ง่ายต่อการคิดง่ายต่อการนับเพราะถ้าเรานับตัวเลขอย่างนั้นเราก็หนักหนักเหมือนกันแหะแต่ถ้าเราเราเข้าใจเข้าปฏิบัติมันจะแคบหลงจะ ง, ง่ายขึ้น กิเลสนั้นถ้าไปนับพันห้ามันก็นับได้มไม่จะแปลกอะไรถ้านับไปแล้วมันก็ปวดหัวเพราะงั้นไม่ต้องไปนับกิ่งนับใบนับดอกมันตัดโคนมันฉยเลยต้นไม้ต้นนี้ไม่ต้องห่วงถอนรากทิ้งเลยใบกี่ใบช่างหัวมันมันตายหมดเองเะฉนั้นวิธีปฏิบัติแล้วพอถึงจุดนี้เราจะเห็นว่าจะพูดกิเลสน้อยลงจะไม่พูดมาก พอหมดอาสวะมหมดอาสวะตอนนี้จะเป็นอะไรคือจิตจะวิมุตตุดพ้นเป็นไปเพื่ออะไรก็ข้าสูตรเดิมสูตรนี้จะเหมือนจะเหมือนกันทุกแห่งนะฮะอภินยายสัมโบธาญาณิบานายะสังมัตติแต่ทรงใข้าำอย่างนั้นตั้งแต่ธรรมจักมาเลยตั้งแต่ธรรมจักมาจนถึงโ น, โน่นมหาปณิพานในสูตรสุดทา้ายจะแสดงอย่างนั้นนาทีเพราะอะไรเพราะจะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคล า, า, ายกรรคลายกรรหนัดเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่ อ, อนิพัน ไปแล้วพวกนี้พวกนี้พอพอจบมันหมดกิเลสนะฮะพอหมดกิเลสก็อย่างที่บอกว่าท่านที่หมดกิเลสนั้นปัญญาจะเกิดขึ้นก่อนพอปัญญาเกิดขึ้นแกจะขจัดกิเลสพอกิเลสบดใจต่อไปนั่นคือกรุณนะแต่มันเร็วนะฮะมันเร็วมันก็เปิดสวิตไฟนะแต่ไม่จ้าไฟนี้นะไฟนี้เปิดช้าหน่อยไฟดวงเลยเปิดปับ๊บแล้วก็มันมันจะทําหน้าที่อย่างการรู้อริยสัจ4ี่นั่นเอง รู้อนิจจสี่พอเกิดปับ๊บมันก็เหมือนกับเราเกิดเปิดสวิตไฟปับ๊บเปิดปั๊บความสว่างปุ๊บความมืดหายสิ่งทั้งหลายปรากฏต่อเนื่องติดกันเป็นแถวจนบางทีแยกไม่ออกว่าอะไรมันเกิดก่อนเกิดหลังแต่แท้จริงถ้าเราเรียงลําดับตามหลักที่ทรงแสดงมันจะต้องมีการเปิดสวิตคือปฏิบัติอริยมรรคก่อนสมบูรณ์ก่อนพ อ, พอสมบูรณ์มันเกิดแสงสว่างคือนิโรธขึ้นมานิโรธันเกิดก่อนนะฮะ พอในรอเกิดแล้วมันไปนดับที่ไหนดับที่มืดคือสมุทรไทยพอสมุทรไทยหมดได้อะไรหมดทุกหมดมันจะเกิดมาอย่างนั้นเวลาเกิดมันเหมือนกันได้เหมือนกับหมอรักษาโรคเหมือนกันลองดูว่าโรคนั้นเวลาเริ่มเราเริ่มที่โรคอาการของโรคตอนตรวจสอบนั้นเราเริ่มที่อาการของของโรคแต่พอยาทําปฏิกิริยานั้นยาไปทําปฏิกิริยาที่ตัวสมุทฐานโรคความหายจากโรคมันเกิดขึ้นก่อน แล้วก็ตัวไอ้โรคทั้งหลายก็หมดไปอาการปกติก็เกิดขึ้นเวลาเริ่มมันเริ่มจากนั้นนะฮะต่แ ต, แตเวลาแก้มันแก้ทิ้แก้ที่ข้างล่างลงมาก็เหมือนอริยสัจสเราเรียนนั้นเราเรียนจากทุกมาพอปฏิบัติเราต้องปฏิบัติจากมากขึ้นไปพอปฏิบัติมากสมบูรณ์มากก็สร้างนิโรดนิโรตก็ทาลายตะมือไทยตะมือไทยหมดทุกกรพังอันเดินก็เป็นอย่างนั้น ทีนี้พอถึงจุดนี้มันก็อยู่ในจุดที่อะไรคือไม่เบียดเบียนทางตนไม่เบียดเบียนทางบุคคลอื่นพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นเขาเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีค่าศึกในโลกท่านอยู่ของท่านอย่างนั้นแล้วก็อยู่เพื่ออนุเคราะห์โลกโดยส่วนเดียวอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายใช้เวลา4 0 5ปีก็เพื่ออนุเคราะห์โลกโดยส่วนเดียวพระอาจ์ทั้งหลายก็อยู่เพื่ออนุเคราะห์โลก แล้วไม่ได้คิดเหน็ดคิดเหนื่อยไม่ใดมีอะไรเพื่อตัวเองนะก็เรียกว่าอาหารในชาวบ้านบำรุงอุปถาคก็เหมือนกับน้ำมันหยอดเครื่องเฉยเฉยให้อยู่เพื่อคนอื่นโดยส่วนเดียวพวกนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อเ ก, กื้อกูลแก่คนอื่นเราเรียกพระพุทธเจ้าเราเรียกพระอาหารหันต์ทั้งหลายว่าโลกาโนกรรมปรโกือเป็นผู้อนุเคราะห์โลกทีนี้ท่านทั้งหลายลองมองย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งนะฮะ ที่จริงก็นึกจะเข้าไปแต่วัตถุวิมานวัตถุนะฮะจะเที่ยวแดนเปรตกับคุณวิมานลองดูที่นี้พอดีก็มีเรื่องเหล่านี้เข้ามาอีกว่าเลวลาเนี่ยเราเกิดสับสนในด้านความคิดแล้วมันเพี้ยนมาบางทีมันก็ออกมาจากภาครัฐบาลคราวหนึ่งนานมาแล้วสมัยจอมพลสฤษดินั้นขอร้องให้พระสอนเรื่องสรนโดษมาทีหนึ่งแล้วนี่มาขอร้องให้สอนเรื่องนรกสวรรค์ทีนึ่งนะคือเราคือเราเกิดสับสนในด้านความคิด เราอ้างว่าวิทยาศาสตร์ไม่ตรงตามหลักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่มีหลักให้อ้างนะครับแต่ที่เราพูดมีในโลกสวรรค์นมีพระยานของพระพุทธเจ้าให้อ้างเรามีหลักนะเราพูดอย่างมีหลักมากกว่าคนซึ่งพูดโดยไม่มีหลักแต่ให้ลองดูว่านี่ระดับนี้ระดับหมายความว่าคนไม่ต้องไปวอแวร์สนใจมีไม่มีไม่ต้องสนใจว่ามันจะมีจริงหรือไม่มีจริงพระพุทธเจ้าก็พูดโดยมาตรฐานที่ที่ไม่ต้องใช้พระยาน มาฐานที่เรียกว่าเขาคิดได้ชาวสารคามเนี่ยเขาคิดได้ว่าคนที่ปฏิเสธหมดพระเรียงนักติกะวาสนะฮะพวกนี้ถ้าท่านเรียงนะฮะท่านจะพบซึ่งคําที่เคยที่ท่านเคยพบก็คืออะไรฮนะคือพวกเขาเรียกแต่ตอนพระสูต น, นั้นทรงเรื่องที่นักติกะก่อนเวลาเรียงส่วนมากท่านเรียงที่ เ, เรียงที่อะกิรยาทิฏฐิก่อนคือความเห็นว่าไม่มีบุญไม่มีบาต อหติตกาทิฏก็ถือคือว่าผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ได้เกิดขึ้นมาจากเหตุไม่ได้เกิดขึ้นมาจากเหตุแล้วก็ไม่มีหมดเลยไม่มีหมดถ้าไม่มีแล้วคือไม่มีสิบนั้นทุกทีนะให้ลองสังเกตว่านาในสาเลยยะกสูตรก็สิบนี้ในมิจฉาทิฏสุดก็สิบนี้สิบนี้คือสิบที่มีปัญหาที่สุด เพราะมันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะนําคนเข้าสู่ธรรมะหรือออกแก่ธรรมะมันก็อยู่ที่ความเชื่อตรงนี้เรายอมรับไหมถ้าเราไม่ยอมรับมันก็หักออกไปทางทุจริตเพราะอะไรเพราะว่าการให้ทานก็ไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆก็ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีคุณเหมือนต้องเลี้ยงดูอะไรแกเกิดมาแล้วเราก็เราให้เราโตหน่อยเราก็ไปทิ้งแกอยู่แก่ๆคนแก่ปล่อยไปกันสบายโลกมันอยู่จะอยู่ได้หรือเปล่าลองดูว่าถ้าความคิดอย่างนี้มันออกมาจบหมดทุกกระบวนนะาร คิดก็ผิดแต่ไม่ใช่เห็นก็ผิดคิดก็ผิดพูดก็ผิดสอนก็ผิดปฏิบัติก็ผิดปฏิเสธหมดไม่มีฐานอะไรรองรับโลกมันก็อยู่ไม่ได้ไม่มีหลักในการหล่อเลี้ยงโลกได้เลยเลยแล้วคนมันก็มีกาสัญญายิ่งกว่ามีกสัญญาอีกพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงว่าพวกนี้เป็นวัตขานุหลักต่อของวัตตะ เหมือนกับตอไม้นะฮะลองดูเหมือนตอไม้ที่ถูกไฟเผาแล้วบันเหี่ยวเฉาเปือยหน้าปูพังเป็นดินน้ําลงไ ป, ไปเป็นนิยตามิจฉาทิฐินะความเห็นเนี่ยบรรดามิจฉาทิฏฐิทั้งหลายในโลกนั้นมีถึงศ612ทิฐิแต่โดยพระพุทธเจ้าทรงสแสดงนิยตามิจฉาทิฐินั้นสแสดงสามข้อนี้เท่านั้นใน613นั้น519นั้นไม่มีปัญหา519นั้นบางทีก็ เ, เรียกว่าเป็นมรคาวจรคือข้ามมรคลเท่านั้นแต่ไม่ห้ามสวรรค์ แต่เจา้าพพวกนี้ห้ามสวรรค์ห้ามานิพพานมีนรกลูกเดียวตอนนั้นเองไม่มีอย่างอื่นไม่ไม่มีที่สองเพราะอะไรเพราะมันหยุดหมดเลยการกระทำในทางสุจริตซึ่งต้องทวนกระแสจิตขึ้นไปทวนกระแสกิเลสขึ้นไปไม่ขึ้ น, นครับคนพวกนี้จะไม่ยอมอะไรจะมองในโลกอะไรนะชั่วเมืองผีดีเมืองคนและถ้าท่านลองสังเกตข่าวหนังสือพิมพ์ตอนนี้สองครั้งติดกันแลวผู้ใหญ่ต่นนั้นพูด เพื่อ น, นั่นก็ไอ้บุญในสร้างศาลาอะไระอะไรอย่าไปสร้างมาเลยนะมังวิมานโลกหน้าสร้างกันในปัจจุบันเนี่ยถ้ามองถึงแง่ชีวิตตามแนวาศาสนาที่ท่านแสดงเอาไว้เนี่ยชีวิตในโลกนี้มันโรงแรมแั่นั้นเชีวิตมนุษย์มันโรงแรมนั้นเนี่ยพักชั่วขณะแต่ชีวิตจริงๆมันอยู่ในสัมปรายภพอยู่ในสัมปรายภพคืออยู่ในภายหน้าอย่างที่เคยเล่าออฟังเรื่องนางปาติปูชิกาที่แกจุติมาจาก ดาวดึงเมื่อตอนมาลาภารีเทพบุตรประพาอุทยานะลงมาเป็นอุบาติกาอยู่ตั้ง60ปีทําบุญทุกทีปฏิบัติอุปถากพราพุตตาะวานันตั้งความปรารถนาจะเกิดในชาติในสํานักของมาลาพารีเทพบุตรพระท่านรึกชาติได้อายุ60ปีตายไปเกิดในสานักมาลาภารีเทพบุษมาลาพารีทราาเทพทบุษฐานไม่ทําอ่ะตะกี้เธอหายไปไหน ตะ ก, กี้หายไปไหนนะเขาพูดกันอย่างนั้นนะในโลกสวรรค์น่ยคนก็มาอยู่ในโลกมนุษย์ตั้งหกสิปีแล้วนะท่านถามันตะกี้หายไปไหนนี่คือคืออายุที่ต่างกันแล้วท่านก็บอกไว้โดยละเอียดว่าร้อยปีเมืองมนุษย์เนากับบันหนึ่งคือหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาวปรดึงแต่นั้นไม่เทียบชั้นอื่นนะชีวิตข้างหน้ามันไกลนะฮะยาวนานด้วยแล้วถ้าหากว่าเราจะเอาข้าวกำมือเดียวไปใส่ในยุ่งฉางหลวงแล้วก็จบนะมันมันเบิงวางดอก เปราเปี่ยวเดียวได้แล้วเกินไม่มีอะไรแนมะันข้าวกำมือเดียวพราะฉะนัพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สะสมบุญสะสมบุญที่จะเป็นสเสบียงด้วยเป็นสเสบียงเดินทางแล้วเวลาแสดงนั้นในจริจริงอันนี้อามาก็บรรยายใส่ไว้ในในเทปที่จะออกรายการทําบรรยายไว้แล้วนะฮะมันก็เสริมต่อจากในจุดนี้ประเด็นที่สําคัญก็คือเรื่องของความคิดในเรื่องเหล่านี้อย่าลืมว่าพระญาณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างหนึ่ง ไอคนตั้งหลายเขาคิดอีกเป็นอย่างหนึ่งนั้นก็คือเขาคิดถ้าเราจับหลักว่าพระญานพระพุทธเจ้า ว, ว่ายังไงอย่าลืมพระพุทธเจ้า ว, ว่ายานของเราเป็นอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าพระองค์ตอนเป็นเจ้าชายจิตถะก็คงจะเหมือนเหมือนเขาเหมือนกันแหละแต่เขาว่าอย่างไงพระองค์ก็คงวินิจฉัยเด็ดขาดไม่ได้เพราะตอนนั้นพระองค์ยังไม่มีพระญานแต่พระญาณของพระพุทธเจ้ารู้เห็นอย่างนี้แนวส่งเสริมแนวความคิดครั้งแรกให้เทียบความแตกต่าง เห็นความแตกต่างและดูที่ผลซึ่งเกิดขึ้นจากความคิดเห็นที่แตกต่างเพราะไฟล์ไฟล์แรกนั้นจะต้องทําอกุศลแน่นอนแต่พอยืนยันจะเห็นว่ายืนยันฉกาจฉกันมากนะน่ากลัวนะวัฏทัศนที่เป็นค่าศึกต่อพระอาหารหันต์ทั้งหลายในโลกนี้เสียวสันหลังเลยนะความเห็นเหล่านั้นมีวาทัที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระอาหารหันต์ขับรถถังชนป้อมกันเลยขับรถถังชนพระพุทธเจ้ากันเลยนี่คือความคิดเหล่านี้แล้วที่ทรงแสดงอะไร ปะเดนตัวนี้ต้องจับให้มั่นนะครับความเห็นอย่างนี้เป็นมิจฉาทิจิโลกหน้ามีอยู่แท้ๆเขาเห็นว่าไม่มีความเห็นของเขาเป็นมิจฉาทิฐิแต่วลาเราสรงใช้ส่งเน้นทุกคานะฮะโลกหน้ามีอยู่แท้ๆแต่เขาคิดว่าโลกหน้าไม่มีความคิดของเขาเป็นมิจฉาทังกะปะโลกหน้ามีอยู่แท้ๆแต่เขาพูดว่าโลกหน้าไม่มีคําพูดของเขาเป็นมิจฉาวาจาโลกหน้ามีอยู่แท้ๆ แต่เขาไปสั่งสอนแนะนําคนอื่นบอกว่าโลกหน้าไม่มีการสอนของเขานั้นไม่ประกอบด้วยธรรมวาทศของเขาเป็นวาทศที่ขัดแย้งกับพระอาหารหันต์เป็นปฏิปักษ์นะทรงใช้คาว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อพระอาหารหันต์ทั้งหลายในโลกแล้วก็อาตมุสุธรรมอมมาามกมันก็เกิดไอ้สุภก็ยกตนข่มท่านยกตนข่มท่านแรงมากนะเดี๋ยวนี้จําเป็นจะต้องรณรงค์เรื่องนี้นะตอนนั้นพอเขาห้ามไม่ให้สอนเรื่องสันโดษอาตมาไปไหนพูดเรื่องสันโดษเรื่อยเลย ตอนนี้เขาไมา่สอนเรื่องนรกสวรรค์เราจะพูดเรื่องนรกสวรรค์ไปเรื่อยเลยเหมือนกันลองดูวันทีใครจะทําอะไรแล้วใครจะได้ผลมากกว่ากันคือมันมันมันมันทวนกระแสธรรมไม่ได้นะทวนกระแสธรรมไม่ได้กระแสธรรมนั้นเป็นพยานตัวนี้เป็นสัจธรรมด้านชั้นโลกิยะและทิ้งกดกรรมสังสารวัตรไม่ได้เป็นป่าทองโกติกันแยกไม่ได้เลยแยกไม่ได้ถ้าเรื่องกรรมถ้าเรื่องโลกิยะและ้วต้องต้อ ง, ต, องต้องจับหลักกรรมสังสารวัตรเอาไว้อย่าลืมตรงนี้ทรงแสดงทั้งกรรมทั้งสังสารวัตรนะ ว่าถ้าคนเหล่านั้นเป็นปฏิบัติต่อพระอรหันต์ทั้งหลายในโลกและกุศลธรรมอันลามกมากเกิดขึ้นได้อีกมากมายว่าทะยกตนข่มท่านท่านทั้งหลายเคยสังเกตไหเมื่อก่อนนั้นมีเฉพาะภาษาคนกับภาษาธรรมวันก่อนมีคํำกันอีกคําถึงภาษาผีภาษาคนภาษาธรรมภาษาคนภาษาผีภาษาผีคือภาษาอะไรภาษาในพระุเพรินวาสานติยานที่ทรงยกนั่นนี่มันพูดได้เป็นภาษาผีนะ ไอ้คนที่พูดทางสนังกระฉามิอยู่เนี่ยพูดคํานี้ว่าเป็นภาษาผีเลยนี่คือความวิปริตในด้านจิตใจมันเริ่มจากความเห็นผิดแล้วไม่ต้องกลัวแล้วผิดเป็นแถบหละพอเริ่มตรงนี้ผิดแล้วจะผิดเป็นแถบก็ถูกมันก็ถูกเป็นแทบที่นี้ในด้านกรรมก็เหมือนกัน ด้านกรรมที่บอกว่ากรรมไม่มีผลอะไรต่ออะไรเอ๋ๆการคนเราจะฆ่าสัตว์อะไรนะทงยกตัวอย่างนะฮะเพราะความเชื่อของคนในสมัยนั้นบอกฆ่าสัตว์ให้หมดทั้งจงบุทวีภิภัตทำให้เป็นลานเลือดเดียวกันเละหมดเลยคือไม่เป็นจิ้นเป็นอันอะไรเลยไม่มีบาปนิดเดียวเนี่ยทรงแสดงว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาสังกปะเป็นมิจฉาวาจาแล้วก็เป็นการแนะนําโดยไม่ชอบรำวาทะเป็นปฏิปักษ์ต่อพระอาหานทั้งหลายในโลกแรงมากนะแล้วก็เป็น ยกตนข่มท่านเป็นมานะเป็นคนทุศีดถูกวินยูชนติเตียนเดินเป็นแถวไปเลยมันเดินไปนแถวไปได้ความคิดเหล่านี้ที่เขาสอนนั้นเราคือแปลกนะฮะที่เราไม่คิดเราไม่คิดที่เขาสอนนั้นอามา ศ, ศึกษาประย่าอินเดียก็เรียกว่ายืนเลคเชอร์ประย่าอินเดียได้สบายกัแล้วกันอินเดียเนี่มันเฉยยังไงน้องจิมคิดอ่ะเวลาแกพูดเรื่องกรรมนะกรรมในมันพูดถึงสิ่งมีชีวิต ต้องมีเจตานาเจตานาหังนพิเกเวกมังบดามิดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเรากราบเจตานาว่าเป็นกรรมเพราะอั้นกรรมมันต้องเกิดจากเจตานาคือมีใจนะคนที่มีใจจึงจะเป็นกรรมได้ไม่ใช่ต้นไม้ล้มทับต้นไม้ต้นไม้ตกต้นไม้ล้มทับตกนรกมันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะก็พูดถึงเจตานาเวลาแกแกยกแกยกยังไงแกบอกว่าถ้ามีบุญมีบาปก็แสดงว่าเวลาฝนตกรดน้ำต้นไม้ก็แสดงว่าฝนก็ได้บุญที่เวลาคว้าคว้าผ่าต้นไม้ต้นไอ้คว้าก็ได้บาปทีมันมันม่นคนละเรื่องอะ่ะ บางคนเราเรียมันไม่ใช่เรื่องกรรมแล้วอย่างงั้นมันเรื่องธรรมชาติม like ันไม่ได้เกี่ยวนะฮะเราจะเห็นว่าหลงทางอยู่ตลอดหลงทางตลอดทีนี้ไอแนวหนึ่งคือคือไม่มีเหตุนะฮะที่ที่ที่พูดเราสังสารสุจิคืออเอตุกะทิธิแปลว่าผลทั้งหลายที่เกิดมาโดยไม่มีเหตุอันนี้จริงเราคิดเอาง่ายนะฮะเราคิดเอาง่ายแล้วก็มองง่ายทั้งหมดเลยไม่มีเหตุไม่ได้ผลทั้งหลายจะต้องเกิดมาจากเหตุทั้งหมด ที่เราอิ่มนี่ยเราสืบดูไปกางไปก็เจอจากเหตุทั้งหมดเลยเรามีชีวิตยอยู่เราก็มาจากเหตุทั้งหมดเลยมันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมาโดยไม่มีเหตุแต่พวกนี้กลับถือว่าไม่มีเหตุมันเป็นการละเลยในแง่ของข้อเท็จจริงไว้สิ่งที่แกกินขึ้นมาเนี่ยแหยิบนั่นคือการสร้างเหตุขึ้นมาแกใส่ปากนั้นก็คือผลจากแการแกหยิบขึ้นมาถ้าไม่หยิบมันใส่ปากแล้วจะจะมีผลคือการ เข้าเข้าไปอยู่ในปากได้ยังไงและการเคียวน่ะเป็นเหตุการกลืนก็เป็นผลกลืนเข้าไปก็เป็นเหตุการอิ่มก็เป็นผลมันเหตุผลมันโยงกันเป็นตับอยู่เนี่ยไม่มีเหตุได้ยังไงนี่ก็คือความไม่คิดไม่ได้คิดให้ลึกซึ้งตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าเริ่มมากที่สุดเพราะสงสารสัตว์นะฮะสงสารสัตว์พระพุทธเจ้าประกอบด้วยกรุณาต่อสัตว์โลกจึงเน้นที่ไอวัถการนูน้นในหลักตัววัตะเนี่ยมากที่สุดเลย เวลาแสดงอะไรถ้าคนยังไม่จับหลักและอยากออกไปตรงนั้นก็แล้วกันนะยังยังยังไงยังไงนะถึงถึงจะแกจะเล่นบนเขาก็จะไปใกล้เหวก็แล้วกันจะเล่นก็ไม่ว่าอะไรแต่อยา่าตรงนั้นนะมันจะตกาตายเลยนี่ก็คือให้มีหลักความคิดเอาไว้ส่วนที่เบื้องสูงขึ้นไปนั้นเราจะพบว่ามันเป็นการสืบเนื่องคือปฏิเสธพบกับพวกไม่ปฏิเสธพบพวกหนึ่งยืนยันว่าพบนั้นมีอยู่พบมันก็ต้องมีอยู่ฮะ มีเป็นการมาพบเป็นรูปประพบอรูปปะพบอย่าลืมพระพุทธเจ้าแสดงพบจะแสดงพบอย่างนี้มันมีประเด็นอยู่อีกเยอะอามายัางนึกว่ารายการทำบรรยายที่ยานเกราะเนี่ยพอจบปฐมเทศนาปฐมสาวกแล้วจะเข้าเรื่องนี้สักอาจจะสองสามเดือนหนึ่งเข้าเรื่องกรรมกระสังสารวัตรเนี่ยพวกข้างนอกเขาสาดโครนใส่เราก็สาดน้ําล้างลองดูกันต้องดูรักพัก ค, คือเราจะต้องจับเอาพระใยบิดกขึ้นมาพูดมาศึกษากันแล้วเวลาเนี้ยไม่งั้นเราจะหลงทางใหญ่เราจะไม่มีที่ยึดเหนี่ยวอะไรเลยสับสนกันหมดความคำคนพูดเนี่ยคนพูดบางคนเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยเนี่ยรู้สึกยังไม่ได้กอซบอลเลยนเนี้ยพูดก็มันไ ด, ไดไ้พูดมาได้ดไดยังไงคือ เรื่องนรกสวรรค์ในตัวสัจจะธรรมและพระพุทธเจ้าจะจะรู้คราวแรกก็คือจะจะรู้เรื่องนรกสวรรค์นั่นแหละรู้คราวแรกโดยพระญาณของพระองค์รู้เรื่องสังสารวัตรู้เรื่องนรกสวรรค์นั่นแหละนั่นแหละคือสัจจะธรรมแหละสัจจะธรรมคือมันเป็นจริงอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นคือสัจจะธรรมเช่นว่าอริยสัจเนี่ยที่ทรงแสดงว่าทุกข์มันทุกข์ก็มันอย่างนั้นน่ยไม่รู้มันจะเกิดแก่ใครก็ตามทุกข์อย่างนั้นน่ยความเกิดความแก่ความเจ็บ ความตายความโศกความร่ไรร่ำพันไปเกิดที่อปมริกามันก็เป็นทุกข์ใครก็เป็นทุกข์ยิ่งเพื่อนยิงเครื่องบินตกทีเดียวตั้งตายตั้งสองคนนะั้ยิ่งเป็นทุกข์กันใหญ่เลยพวกนั้นยิ่เป็นทุกข์กันทรมารทุกข์นั้นคือมันมันเป็นเข้ามันอย่างนั้นเองสภาวะที่แท้จริงก็มเป็นอย่างนั้นคือสัจธรรมเป็นความจริงที่แท้จริงแต่สัจจะนั้นมีอยู่สองชั้นชั้นหนึ่งก็เป็นสมมติอย่างที่บอกชั้นหนึ่งนั้นเป็นปรมัต แต่การเรียนรู้สมมติเพื่อนำไปสู่ความจริงที่แท้จริงเราก็ต้องยอมรับสมมติก่อนแล้วเราจะเห็นว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงถ้าพอถึงเปตาวัตถุพิมานวัตถุแล้วละทิ้งประเด็นชีปรีกย่อยเพราะจะพูดกับคนด้วยภาษาธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองนะพระเจ้าพิมพิสารไปเกิดเป็นชนะวสภักว่าว่ากันธรรมดาธรรมดาโดยไม่ไม่ได้แสดงในรูปของเงื่อนไข เป็นกระบวนการมีอวิชามีสังขารมีบินยานามรูปนั้นก็พูดอีกชั้นหนึ่งไม่จะเอามาสอนเด็กอนุบาลสอนเด็กอนุบาลพูดกันธรรมดาธรรมดาแล้วก็ง่ายต่อการเข้าใจทีนี้รูปชีวิตท่านจะเห็นว่ารูปชีวิตเนี่ยก็ขึ้นไปเรื่อยแล้วนะฮะมันพบก็รูปประพบไปถึงก็อารูปประพฝ่าหนึ่งปฏิเสธฝ่าหนึ่งยืนยันแต่เราจะพบว่าพวกที่ยืนยันนั้นจะมีทางปลอดภัยมากกว่าเพราะอะไรพระแกเชื่อมีอารู ป, ปรพ รูปพบมีเงื่อนไขมีปัจจัยที่จะก้าวไปแกก็เดินไปตามเงื่อนไขเหล่านั้นถ้าเกิดมันไม่มีสมมติไม่มีทั้งพบทั้งอารูปพบทั้งกรรมมาพบทั้งรูปพบทั้งอรูปพบไม่มีปัจจุบันเราก็สบายถ้ามีเราก็ได้เป็นผู้พิชิตทั้งสองโลกทีนี้กลุ่มที่ปฏิเสธถ้าไม่มีปัจจุบันเราก็ที่จริงไม่ดีนะฮะคือไม่ต้องอไม่ต้องตกนรกแต่ว่าเรานึกถึงว่าคนทําชั่วนะมันก็อยู่ไม่ดีก็เดือดร้อน เป็นผู้แพ้ทั้งสองโลกนี่คือคืออย่าลืมว่าสองหลักนี่หลักหนึ่งชนะ2โลกหลักหนึ่งแพ้สองโลกใครต้องการเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะมันก็เลือกเอาพระเจ้าไม่ได้เพิ่มเติมอะไรแต่เสริมแนวความคิดให้ท่านเหล่านั้นได้คิดเอาในแต่ละจุดแล้วก็ส่งอธิบายว่าเรื่องเหล่านี้พระอาหารหันต์ท่านว่าอย่างไงและต่อไปในความคิดมันจะเปลี่ยนยังไงซึ่งเราคิดตามได้นะคิดตามได้พอความเห็นผิดอย่างแยงผู้อสูดผู้สูดที่ชั่วเมืองผีขอยดีเมืองคนเนี่ยมันนี้เข้าป่าทั้งหมดในทในสุดมันไม่แคร์อะไรเลย ไม่มีหลักยึดเหนี่ยวอะไรเลยจะไม่อายฟ้าดิน อ, อ้คือคืออามาเองยังชอบความคิดของคนจีนในขงจือ๊อท่าสอนนะฮะขงจื๊อสอนนี่อายฟ้าดินเลยอยู่ที่ไหนมีแต่คว้าดินไม่ต้องกลัวมีพยานอยู่เรื่อยเลยแล้วเราจะพบว่าคนจีนนั้นเขาจะมีหลักยึดตัวเนี้ยแน่นอนนะฮะค้าดินมันเป็นพยานไม่ได้เพราะไม่มีไอเจตนาไม่มีใจแต่ว่าจุดยึดเหนี่ยวทางใจของเราอะเรายอมรับว่าค้าดินเป็นพยานได้ แล้วเราก็อยู่ที่ไหนเราก็ไม่พ้นกระดินกับฟ้าอยู่ตลอดเพราะงั้นมีหลักคุ้มครองใจเราตลอดเหมือนกับความคิดของไทยเราที่ประนีตขึ้นนะะประนีตขึ้นความความคิดไทยเรามีสองชั้นนะชั้นหนึ่งนั้นเป็นแนวพุทธปนพรามไอ้ที่มียมบาลนะฮะมียมบาลมาจดความความชั่วลงหนังสุดนักจดความดีลงแผ่นทองนั้นคือแนวปนพราม อย่าลืมมันจ้องจุดเนี่นะทำอะไรเนี่ยไอ้เด่นไอ้ยมบาลมาอยู่ข้างหลังมันก็เสียเสียหลังมาต้องควรนะเราก็ไม่กล้าทําอ่ะอย่าลืมนะครับพอเราคิดออกมาเป็นเชิงพฤติกรรมแล้วมันได้ประโยชน์มหาศาลนะนี่คือเขาเรียกว่าส อ, สอนเด็กสอนเด็กอย่าลืมว่าคนระดับเด็กนั้นมากกว่าระดับผู้ใหญ่นะแม้จะมีผู้ใหญ่มากแต่ว่าจิตใจในด้านนี้อยู่ในระดับเด็กคือกลัวต้องการอะไรลูกไอ้สะน้ําลูกยอก็ะผายอย่างที่พูดเนี่ย คือต้องการในการให้ความอบูนต้องการยกย่องต้องการกลัวเกิดจากความกลัวทำความดีเพราะกลัวนี่มีเยอะนะฮะแล้วลองว่ากรมกองต่างๆอธิบดีไม่อยู่ว่าหน้ากองมาชูบัวหน่วยการกองมาอยู่ลองดูดิฮะมีคนที่นั่งทํางานเอาใจใส่จริงๆสักกี่คนมีคนสูบบุรีสักกี่คนแล้วคนออกเที่ยวสักกี่คนบางทีก็ดูดูหน้าดูหลังไม่เห็นอธิบดียังหลบไปทเที่ยวได้นี่เพราะอะไรเพราะมาตรฐานจริงๆของสังคมนั่นคนทําความดีเพราะกลัวนะฮะ ทำ ค, ความดีเพราะกลัวมากที่สุดไอ้ทำความดีเพราะสํานึกว่าเป็นความดีมีหลักใจตัวเองไม่ต้องอาศาัยใครสั่งบังคับหรือชี้นิ้วอะไรแต่ไรเนี่ยมีน้อยมีน้อยทําไม่ถ้าให้งั้นนล้วไม่จําเป็นจะต้องเรียกโทรทัศน์วิทยุหมาออกข่าวให้ทอนนี่ก็ทําความดีเพราะต้องการอะไรต้องการลูกยอต้องการลูกยอแต่นั้นเองมาตรฐานนี้มากที่สุดเราอย่าไปคิดไอ้ลอยอยู่ข้างบนจนถึงว่าทําความดีเพราะเห็นว่าเป็นความดีแล้วทํานั้นหายาก หายากเนีว่าที่ไหนก็ตามอย่าไปคิดว่าง่ายง่ายฮะเพราะงั้นในมาฐานความคิดเนี่ยอย่างแล้วพอโบราณเนี่ยพอพอพุทธเรานั้นประนีตขึ้นนะฮะมีเทวดามีภูมิเทวดาลู ก, กเทวดายบซึ่งในศาสนา น, นั้นแสดงโดยเปิดเผยนะฮะพระไปปฏิบัติไม่ดีอยู่ในป่าในเทวดาเกิดหมันไส้ขึ้นลงมาขึ้นตา ม, มาเทศพระทนะอันนี้ก็แสดงว่าเรายอมรับว่ามีสิ่งหนึ่ง คอยดูคอยเห็นเป็นพยานในการกระทําของเราอยู่อายผีสางเทวดาเขานั้นคือแนวทิฏฐิ น, นิจขึ้นไปหน่อยนะไปหน่อยไปโย ม, มาบาลก็นึกไม่ได้มันก็ได้โย ม, มาบาลมาก็มานั่งโจกันได้ยังไงก็โจดกดันมือหงิกคนทําชั่วกันจังเลยเนะี่ยก็เขียนกันแย่เลยนะฮะหนังหมาก็หาไม่ค่อยได้ซะด้วยเ น, นี่ยแพงเลยแต่อย่าลืมนะฮะผลที่ออกมาจากการปฏิบัติมันดีแล้วก็ขึ้นไปจนนั้นนะมันออกไปพัฒนาเป็นอะเป็นหิริุอตปะ ออกเป็นธีโอตปะจะออกมาในแนวเพลงอะไรหล่าความขวานั้นสูงสุดนั้นแหละคือออกมาแนวนั้น แ, แต่อย่าลืมว่าแนวความความคิดนั้นจะออกมาไม่ได้ถ้าไม่มีฐานเหล่านี้ฐานความคิดจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดอะไรมันเดินไม่ได้แต่ถ้าเรามีหลักยึดเหนี่ยแล้วต่อไปมันเดินได้รูปชีวิตของคนสี่ประเภทนั้นเราเห็นได้ในโลกนี้คนประเภทที่เบียดเบียนตัวเองทําอันตรายแก่ตัวเองอะไรตไรเนี่ยมีก็มีมากเหลือเกิน ดื่มล้าก็ดีเล่นการพนันยังพอยังชั่วหน่อยนะฮะบางทีก็ชนะมั่งแต่ดื่มล้ามันเสียลูกเดียวแล้วก็สิ่งเสพติดให้โทษอะไรอะไรเนี่ยคือมันเบียดเบียนตนโดยส่วนเดียวเลยไม่เกื้อกูลอะไรเลยไม่เกื้อกูลอะไรเลยนี้เรียกว่าพวกกลุ่มแรกก็รูปแบบชีวิตที่เราเห็นก็ได้ทุกคนทุกแห่งอีกชุดหนึ่งก็เบียดเบียนคนอื่นอันนี้ก็ชอบรังแกรังงอนคนอื่นหาความสุขโดยการรังแกสัตว์เบียดเบียนสัตว์ สร้างความทุกข์ทรมานให้เกิดขึ้นแก่คนอื่นนี่ก็พวกหนึ่งไอ้พวกนี้พวกที่สามนั้นทั้งทั้งชุดเลยคือเบียดเบียนเล่ไปหมดเลยทั้งตนเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนนี่ก็กมีเยอะแยแล้วพวกที่เกื้อกูลทั้งตนเองและคนอื่นนั้นจะต้องอาศัยพัฒนาการทางจิตครับพัฒนาการทางจิตถ้าไม่อาศัยพัฒนาการทางจิตได้ลําบากเพราะบางทีตักบาทขันเดียวยังมานั่งอธิษฐานในถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอย่างนี้ มันค้ากำไรจังเลยนะไม่่เบรองนี้ก็เราจะเห็นว่าพอถึงจุดนี้ถ้าพัฒนาการทางจิตไม่ถึงไม่ถึงเราไปไม่ไดต้ต้องให้จิตมันถึงล้วจิตถึงก็ทรงแสดงขั้นตอนของจิตเลยราะมันเดินกันยังไงต้องเริ่มมาที่ศรัทธาเริ่มมาศรัทธาแล้วก็เริ่มการศึกษาการประพฤติปฏิบัติขึ้นไปเรื่อยๆจนคนเขาเรียกว่าคือขึ้นถึงฝั่งขึ้นถึงฝั่ง บางทีรู้งพ่อเจ้าจทรงแสดงแนวคนตกน้ำแสดงแนวคนตกน้าให้เรียนจต่คนตกน้ำคนตกน้ำบางพวกนั้นพอตกลงไปแล้วก็จมน้ำปอมแปมหายไปเลยไม่โผล่มาอีกเลยอันนี้ก็ตายนะพวกตกน้ำแล้วตายไอ้คนกลุ่มหนึ่งนั้นก็ไหว้ขึ้นมาได้ก็หายใจได้บางคนก็ตั้งหลักได้บางคนก็ขึ้นฝั่งได้ขึ้นฝั่งได้ก็รอดแต่พวกที่ตั้งหลักได้ไม่แน่นะัมันก็หล่นไม่ได้อีก หรือพวกที่ไหว้ได้ก็ไม่แน่หมดแรงเราไปได้เพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังไม่ถึงความไหว้วางใจคือเรายังไม่ได้ขึ้นฝั่งนั้นไม่ใช่โอกาสที่เราจะประมาทเราทรงแสดงขึ้นไปเรื่อยแล้วเราเราดูว่าพอแนวนี้มันก็สัมพันธ์กับยานะยานเหล่านี้เวลาแสดงที่เกิดขึ้นแก่คนอื่นก็แสดงที่เกิดขึ้นแก่พระองค์เองเหมือนกันทุกตัวนะฮะผิดแต่คําบางคําเช่นว่าเรานั้น นะถ้าแสดงพระองค์เรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนควรแก่การงานจึงน้องไปเพื่อระลึกชาติบางก่อนเราะลึกชาติได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างอันนี้กระช้เปลี่ยนเฉพาะสปปรรพนามสรุปง่ายเปลี่ยนเฉพาะสปปรรพนามเท่านั้นเองแต่ผลนั้นจะเกิดขึ้นเหมือนกันจะเกิดขึ้นเหมือนกันทั้งพยานข้อที่หนึ่งที่สองที่สามนะฮะก็สรุปพระพยานข้อแรกก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าปุเพนิวาสาสัญญาณระลึกชาติก่อนได้ อย่างข้อที่สองก็คือจตูปารยานรู้ความแตกต่างของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมระยานข้อที่3คืออาสวัขยานรู้การจุติกานอุบัติของสัตว์รู้ทําอาสวัชสิ้นไปก็คือรู้ระยะสัตว์4ในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาท่านชาวสาราสาลานะฮะบางทีเอาชื่อสาลาไม่ใช่สาราขานนะฮะสารามนั้นเขาเลือกตั้งผู้แทนกันเ อ, เอาคือหมู่บ้านสาราสาลาหรือสาระ กรชื่นชมยินดีในภาสิทธิ์ของพุทธเจ้าสรรเสริญพระธรรมเทศนาไอสูสันเสริญพระธรรมเทศนานี้แปลกเรียกว่าเหมือนกันเกือบทุกแห่งเลยธรรมเทศนาของพระองค์ไพเราะยิ่งนักไพเราะยิ่งนักเหมือนหายของแล้วคว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางสองประทีปในที่มืดเพื่อให้คนมีจักสุดได้เห็นแต่เรามองดูซึ้งมากนะที่เรา เ, ราเห็นเป็นภาพเลย งายของที่คว่ำของคว่ำเราไม่รู้อะไรเพราะงายขึ้นเราก็รู้เปิดของที่ปิดของปิดเราไม่รู้มีอะไรเพระเปิดเราก็รู้บอกทางไอ้คนหลงทางเดินไม่ถูกพอบอกถามก็เดินได้ซองประทีบในที่มืดนี้สวยเลยซองประทีบในที่มืดเพื่อให้คนมีจักสุได้เห็นถ้าตาบอดไม่เห็นเหมือนกันนะตาบอดไม่เห็นเหมือนกันเวลานี้คนตาไม่ค่อยบอดแต่จิตใจบอด ใจบอดคือปิดประตูรับไม่ยอมรับรู้เรื่องศาสนาแล้วก็ไปตั้งป้อมค้านศาสนาค้านพระญานพระพุทธเจ้านะพูดโดยไม่ต้องเกรงใจคือมีคนบางพวกนี่ขับขับรถถังชนพระพุทธศาสนาชนพระพุทธเจ้าเองนะชนพระญานพระพุทธเจ้าไปแล้วเนี่ยในระยะ7วันเนี่ยมีคนสองคนพูดเรื่องนี้ออกมาคนแรกนั้นปฏิเสธไม่ให้ไปทําบุญหาความสุขในปัจจุบันดีกว่านะมันเรื่องโลกหน้า อีกเมื่อวานเนี่ยเขาก็ตัดมาให้นะฮะบอกว่าอย่าสอนเรื่องสวรรค์นะให้สอนเรื่องสัจธรรมแล้วคือแสดงได้อย่างเดียวว่าคนที่พูดไม่รู้ว่าสัจธรรมคืออะไรเท่านั้นเองนะถ้ารู้แล้วจะไม่พู ด, พดคําพูดออกมาลักษณะนั้นคําพูดของคนเหล่านี้บางทีมันก็มีอิทธิพลมากเพราะคนเราก็มักจะนิยมยกย่องผู้มีอํานาจนะฮะคนร่ํารวยผู้มีอํานาจมีอะไรเนี่ยคือถ้าพูดออกมาแล้วคนเชื่อมาก เวลานี้มันก็เข้าสูตรแนวความคิดนั้นเข้าสูตรความเห็นผิดความคิดผิดการพูดผิดเป็นการแนะนําโดยไม่เป็นธรรมมีวาทะเป็นปฏิปักษ์กอบต่อพระอาหารทั้งหลายในโลกยกตนข่มท่านแล้วกลายเป็นคนรูดศีลมีบาปธรรมลามกเดินเป็นแถวนี้ก็เพื่อความสวัสดีแก่ตนและสม บ, บุคคลที่ต้องการจะชนะได้ทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้านะคข้อปฏิบัติเหล่านี้พระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติไม่ผิดแล้วพระพุทธเจ้าไม่พูดได้นับถือพระองค์นะ นับถือใครไม่นับถือก็ตามใจนะแต่อย่าทําให้ผิดก็แล้วกันเธอจะเล่นตรงนี้ก็ได้อย่าตกเหวก็แล้วกันอย่าไปใกล้ที่ภูเขาขาดก็แล้วกันท่านั้นเองพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดเราจะเห็นว่าแนวของพระพุทธเจ้านั้นคือกรุณานับถือไม่นับถือไม่เกี่ยบพระพุทธเจ้าไม่เคยร้องเรียกร้องให้ใครมานับถือแต่ว่าเพื่อความสวัสดีแก่เขาเท่านั้นเองนี่คือพระพุทธเจ้าของเราไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าไม่จะกลุ่มผลประโยชน์นะเราต้องรู้ว่าอย่างหนึ่ง ไม่ใช่กลุ่มผลประโยชน์ที่ต้องตักตวงผลประโยชน์เอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาล่ออย่างที่พูดการ น, นั้นพูดเพื่อเจอเ้อไม่ใช่แสดงเราไม่เชื่อญาณของพระพุพทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีพระบริสุทธิ์ที่คุณนะจะตองอสวรรค์มาขู่ทําไมจะเอาจะเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาล่อทําไมเป็นเรื่องที่พระองค์รู้เห็นด้วยพระปัญญาของพระองค์ที่ที่พระองค์สอนพร ะ, ร ะ, ระรพระองค์กรุณาต่อสัตว์โลกพระองค์กรุณาต่อสัตว์โลกเพราะงั้นคําพูดเหล่านี้มันเป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจจะต้องขู่คนทําไม คนที่มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงนั้นเขาเจะต้องขู่ทาไมแต่ว่าทําไมต้องพูดพูดเพราะพระองค์รู้เห็นนั้นมามาเป็นอย่างนั้นนั้นคือพระปัญญาที่คุณของพระองค์แต่ในขณะเดียวกันพระองค์นั้นเป็นโลกาโนกัมปโกเป็นผู้อนุเคราะห์โลกอะไรที่สัตว์โลกจะประสบภยัยจะประสบอันตรายทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าพระองค์ก็ชี้แจงสแสดงให้บุคคลเหล่านั้นเห็นเอาไว้ส่วนการประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าไม่เกี่ยนะพระบอกพระองค์บอกว่าเราเป็นผู้บอกเท่านั้น ส่วนการประพฤติปฏิบัติจะเป็นเรื่องของท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติหรือไม่ก็เป็นแล้วแต่ว่าใครจะปฏิบัติยังไงแต่พระพุทธเจ้ารับรองผลนะครับรับรองผลที่เกิดมาจากเหตุทุกจุดที่ทรงแสดงเอาไว้อย่างนี้ประเด็นสําคัญอยู่ที่สัมมาทิฏฐิตัวเดียวนะฮะกับมิจฉาทิฏฐิตัวเดียวมีสองทางแต่นั่นเองแล้วต่อไปนั้นเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากความเห็นเป็นสัมมาเป็นมิจฉาทิฐิกับความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ซึ่งออกมาทางด้านบวกและด้านลบตามสมควรแก่ความเห็นนี่ก็เป็นอปันนกสูตรคือประสูตรที่ว่าด้วยการปฏิบัติยาให้ผิดนะที่มันเกิดวุ่นวายนั้นก็เพราะความเห็นผิดอย่าถามว่าโลกมันวุ่นเพราะใครก็โลกมันวุ่นเราคุณนะคิดผิดทาผิดพูดผิดเลยเละหมดเลยนี่ก็ข อ, อยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้